จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศกอุบาสิกาผู้ไฝ่ธรทุกทุกท่าน <c oughs> วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบสองมกราคมพุทธศักราช5 5 8เป็นวันพระวันท้อัศวนะวันฝังธรรมวันมาเสริมสร้าง บ, บุญบารมี ที่เป็นเหมือนเชือเปลิงที่จะขับพาให้จิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกๆคนได้หลุดพ้นออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ออกจากแรงดึงดืดของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายที่เป็นตัวที่เดึงจิตใจ ให้ติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอกีกไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้มาเสริมสร้างบุญบรารมีที่จะเป็นพลังผลักดันให้จิตใจได้ หลุดออกจากแรงดึงดูดของกิเลสตัณหาของความโลภความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระไว้เพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้มาศึกษามาฟังวิธีของการเสริมสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆเพื่อที่จะได้สร้าง บุญบา ร, รมีให้แก่จิตใจถ้ามีบุญบา ร, รมีแล้วจิตใจก็จะไปสู่สุคติโดยถ่ายเดียวจนกว่าจะไปถึงพระนิพพานในที่สุดจะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าสะสมบุญบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้สะสมได้ทุกภพทุกชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะว่าบุญบรารมีนี้ก็เป็นเหมือนกับน้ามันรถยนต์ภพชาติของมนุษย์ก็เป็นเหมือนสถานีบริการรถยนต์นี้จำเป็นจะต้องจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ามันเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปได้การะการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการมาที่สถานีบริการ เพราะพบของมนุษย์นี้เป็นพบเดียวที่มีการเติมน้ำมันได้เหมือนสถานีบริการถ้าไปจอดอยู่ที่อื่นก็จะไม่มีน้ำมันให้เติมต้องแวะจอดที่สถานีบริการเท่านั้นฉันใด บ, บุญบุญบารมีที่จำเป็นต่อการ <c oughs> ผลักดันจิตใจให้เล่นลอดออกจาก การดึงดูดของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่ตางๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ต้องอาศัยพลังผักดันของบุญบา ร, รมีท่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้มีวันพระกันเพื่อจะได้มาสร้างบุญบา ร, รมีกันบน บรารมีข้อแรกที่ทรงสอนให้สร้างก็คือเมตตาบรารมีเมตตาคืออะไรก็คือความปรารถนาดีความคิดดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นเช่นไม่จองเวรจองกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทให้อภัยเวลาผู้ใดทำกระทากระทำสิ่งใดที่ทำให้เกิด ความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจและทรัพย์สินต่างๆก็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองจะให้อภัยเพราะไม่ต้องการที่จะสร้างเวรสร้างกรรมต้องการที่จะสร้างมิตรต้องการสร้างความเมตตาเพราะว่าถ้าไม่มีความเมตตาจะสร้างบุญบา ร, รมีข้ออื่นไม่ได้ผู้ที่ยัง มีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจะสร้างทานบารมีไม่ได้จะสร้างศีลบารมีไม่ได้ดังนั้นข้อแรกที่เราควรที่จะสร้างกันก็คือเมตตาบารมีพยายามมองเห็นทุกคนว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บ ต, ตายกันเราไม่ต้องไปทำร้ายกัน เพราะว่าทุกข์ที่เราได้รับจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันก็แสนสาหัสอยู่แล้วไม่ต้องไปทำร้ายใครใค ร, ใครทําอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราไปทําเขาเขาก็จะกลับมาทำเราแล้วก็จะกลายเป็นสงครามไม่มีวันสิ้นสุด <c oughs> ดังนั้นข้อแรกขอให้เรามาแผ่เมตตากัน การแผ่เมตตาก็ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันไม่ใช่ไปแผ่เมตตาเวลาที่เรานั่งอยู่ไหว้พระสวดมนต์อยู่ตามลําพังเวลานั้นเป็นการสอนใจเป็นการซ้อมวิธีแผ่เมตตาด้วยการนำลึกถึงคําที่พระเจ้าทรงสอนให้มีขึ้นมาในใจของเราก็คือสับเบสัตตาอเวราหนตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวรกันเถิดหมายความว่าเราอย่าไปมีเวรกับใครสระเบสตาอปยาปัชาโหณตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดหมายความว่าเราอย่าเบียดเบียนกันอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ, อื่นอานิกาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายมีแต่ ความสุขกายสุกใจให้พยายามให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะให้ได้อย่างไรมีข้าวของเงินทองที่จะแบ่งปันกันได้ก็ให้กันไปเหมือนเวลาเราซื้อของขวัญให้คนนั้นคนนี้ก็นี่แหละเป็นวิธีแผ่เมตตาวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกับคน เวลาพบปะกันก็ทักทายกันมีมีไมตรีจิตต่อกันมีอัธยาศัยไม่น่าเบื่อตึงแสดงความเป็นมิตรต่อกันและเวลามีใครทำร้ายเราก็ให้อภัยเขาอย่าจองเวรจองกรรมต่อกันนี่คือบา ร, รมีข้อแรกถ้าเรามี เมตตาบรารมีแล้วเราจะสร้างบรารมีข้อที่สองได้คือทานบรารมีทานบรารมีก็คือการแบ่งปันสิ่งต่างๆที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเอามาแจากจ่ายแบ่งปันก็จะได้ทานบรารมีทานบรารมีนี่ก็เป็นเชื้อเพลิง ที่จะดึงจิตใจผลักดันจิตใจให้ออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราต้องการไปเกิดที่สูงที่ดีเราต้องสร้างฐานบา ร, รมีเอาไว้เพราะถ้าเราทำฐานบา ร, รมีได้ฐานบา ร, รมีนี้จะสนับสนุนให้เราสร้างศีลบา ร, รมีขึ้นมาได้คนที่ทำฐานไม่ได้นี้จะรักษาศีลไม่ได้ คนที่รับทำทานไม่ได้เพราะไม่มีเมตตาบารมีดังนั้นต้องเริ่มจากเมตตาพอมีเมตตาแล้วก็จะทำทานได้เพราะคนที่มีเมตตก็มีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเรามีอะไรเหลือเฟือก็ให้ผู้อื่นเขาไปมีที่มีทางก็แจกเขาไปบ้างหรือสร้างบ้านให้เขามาอยู่มาพักมาปฏิบัติธรรม อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทานบารลีเห็นคนที่เขาต้องการหาที่สงบที่สงัดไว้ปฏิบัติธรรมเรามีที่วะทิ้งอยู่เฉยๆขายไปก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรก็สร้างที่ปฏิบัติธรรมให้ผู้ที่เขาอยากจะมีที่ปฏิบัติธรรมได้มาอยู่ได้มาปฏิบัติโดยไม่คิดคัดเช่าก็ได้หรือคิดเท่าทุนก็ได้ คิดเฉพาะค่าน้ำค่าไฟทำเป็นเหมือนวัดสมัยนี้วัดไม่ค่อยมีที่ปฏิบัติธรรมกันจึงเป็นหน้าที่ของญาติโยมที่มีมีบารมีมีทรัพย์มีศินมีที่มีทางที่จะมาสร้างที่ปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะได้สร้างบารมีขั้นสูงต่อไปก็คือ ศีลบารมีนิคัมมะบารมีอุเบกขาบารามีและปัญญาบารามีถ้าเราทำทานสร้างทานบารามีได้ใจของเราจะไม่อยากจะทำร้ายผู้อื่นจะอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นก็จะสร้างศีลบารามีได้จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวง ไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆได้บารมีแต่ละขั้นนี้จะสนับสนุนกันเป็นเหมือนขั้นบันไดต้องทำขึ้นไปที่ละขั้นสร้างเมตตาบารมีเพื่อทำทานเพื่อสร้างทานบารมีได้ทานบารมีก็จะได้ศีลบารมีได้ศีลบารมีก็จะได้เมตขมะบารมี เนื้อคมาก็คือการรักษาศีลแปดนี่รักษาศีลห้าเรียกว่าศีลบารมีถ้ารักษาศีลแปดก็เรียกว่าเนื้อมะบารมีเช่นวันนี้เป็นวันพระพระุทธเจ้าก็สอนให้ศรัทธาญาติโยมที่รักษาศีลบารมีรักษาศีลห้าได้ให้ขยับขึ้นมารักษาศีลแปในวันพระวันนี้ไม่ต้องไปทํางานอยู่บ้าน ไม่ต้องกินข้าวเย็นก็ได้ไม่เดือดร้อน mm hmm. ไม่ต้องร่วมหลับนอนกับแฟนสักคืนหนึ่งไม่ตายเอาเวลามาเจริญอุเบกขาบารมีคือทำใจให้สงบดีกว่า mm hmm. นี่คือผู้ที่จ ะ, จะเจริญอุเบกขาบารมีได้ mm hmm. ก็ต้องเจริญเนคขมะบารมีให้ได้ก่อนต้องตัด การแสวงหาความสุขทางร่างกายไปก่อนเพราะถ้าเราไม่ตัดเราจะไม่มีเวลามานั่งอุเบกขาบารมีคือความสงบของใจจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะจะหมดเวลากับการไปหาความสุขทางร่างกายเช่นร่วมหลับนอนกับแฟนหรือรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตรับประทาน หลังจากเที่ยมวันไปแล้วรับประทานตอนเย็นตอนค่ำและก่อนนอนระหว่างนั้นก็ดูหมหรสพบันเทิงต่างๆร้องรำทำเพลงแล้วก็มาเสียเวลากับการเสริมความสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาพรวิจิตรพิศดาด้วยเครื่องสำราน้ำหอมน้ำมันต่างๆเวลาที่จะออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ, ๆ ถ้าถือศีลแปดถ้าเจริญเนคขมาะบา ร, รมีก็จะไม่สามารถกระทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเวลานั่งสมาธิจะก็จะไม่ง่วงนอนเพราะจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ารับประทานอาหารเย็นเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งสับประงนกแล้วก็อยากจะนอน เวลานอนก็อยากจะนอนบนฟูกหนาๆ น, นอนนานๆแต่ถ้าจเจริญในคขัมมะบารมีเวลานอนก็ต้องนอนไม่มากนอนเท่าที่ตั้งร่างกายต้องการคือสี่ห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะนอนให้ไม่นานก็ต้องนอนบนพื้นไม้แข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะถ้าฟูกหนาๆแล้วเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้ว พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกอยากจะนอนต่อเพราะมันสบายก็เลยจะนอนอีกหลายชั่วโมงทาให้เสียเวลาเวลาที่จะมาเจริญอุเบกขาบารมีก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือการใช้เมฆขมมะบารมีเพื่อที่จะมาเสริมสร้างอุเบกขาบารมี ถ้าเรารักษาสิ่งแปได้เราจะสามารถที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบได้พอใจสงบเราก็จะได้อุเบกขาคือความเย็นความสบายความเป็นกลางความปราศจากอาคติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงใจที่ไม่มีอคตินี้ จะเป็นใจที่จะสามารถเจริญปัญญาได้จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายจะไม่รงเกียติับการพิจารณาอสุภะดูสิ่งที่ไม่สวยไม่งามต่างๆได้ถ้าใจยังไม่มีอุเบกขาใจไม่เป็นกลางใจยังมีอัคติอยู่ใจจะชอบคิดแต่เรื่องที่รักจะไม่ชอบคิดในสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบ จะไม่คิดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายจะไม่คิดเรื่องอ ส, สุภะความไม่สวยงามของร่างกายอยากจะคิดแต่ของสวยๆงามๆอยากจะคิดแต่เรื่องสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือใจที่ไม่มีอุเบกขาจะไม่สามารถที่จะมาจะเจริญปัญญาได้ วาการเจริญปัญญาจำต้องพิจารณาส่วนที่ใจไม่ชอบพิจารณาก็คือความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายเช่นความเสื่อมของร่างกายร่างกายของคนทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดจะต้องมีการพัดพากจากกันไม่ว่าจะรักกันมากน้อยเพียงไรก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากกันไป เพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็ต่ายร่างกายของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของพี่ของน้องของญาติสนิทมิตรสหายตกอยู่ในสัจธรรมความจริงเหมือนกันหมดคือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ปัญญานี้จะพิจารณาเห็นว่า สิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ไม่ใช่ไม่มีตัวตนผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเสียใจเพราะผู้ที่ตายไม่ใช่ผู้ที่ครอบครองเช่นร่างกายของสามีของภรรยาเวลาตายไปสามีภรรยาไม่ได้ตายไปกับร่างกาย สามีภรรยาอยู่ในใจของแต่ละร่างกายและใจดวงนี้แหละที่จะไปเกิดใหม่ถ้ามีบุญบารมีติดตัวไปก็จะไปเกิดในสุขติไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเป็นเป็นพระอาริยะบุคคลท่านต่างๆดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติในธัมมะผู้ที่ปฏิบัติอุเบกขาจะเห็นความจริงอันนี้จะเห็นความ จะเห็นสองส่วนของของชีวิตคือจะเห็นร่างกายและจะเห็นจิตใจจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเป็นเหมือนกับรถยนต์ส่วนจิตใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์เวลารถยนต์พังคนขับไม่ได้พังไปด้วยคนขับก็ไปเปลี่ยนรถใหม่ไปซื้อรถคันใหม่ถ้าคนขับเก็บเงินเก็บทองมีเงินมาก เวลาซื้อรถใหม่ก็จะซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่าคันเก่าแต่ถ้าไม่เก็บเงินเก็บทองไม่สร้างบุญบารมีเวลารถพังไปก็จะไม่สามารถซื้อรถใหม่ที่ดีกว่าเก่าได้อาจจะต้องซื้อรถมือสองหรือไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์แทนเพราะไม่มีเงินไม่มีกาลังที่จะซื้อรถที่มีราคาแพงๆได้ แต่ถ้าได้สะสมเงินทองไว้อยู่อย่างต่อเนื่องเวลารถยนต์คันเก่าเสียก็สามารถซื้อรถคันใหม่ได้ดีกว่าดีใจีิว่าคันเก่ามันเสียจะได้เปลี่ยนสักทีใช้มันมานานแล้วไปเสียได้ทำไมกับรถคันเก่าร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์นี่แหละใจของเราก็คือคนขับรถใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจมี บุญบรารมีเยอะๆใจจะไม่หวั่นไหวดีใ จ, จเสีอีกว่ารถมันเก่าแล้วต้องคอยซ่อมอยู่เรื่อยๆต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆอย่าไปเข้ามันดีกว่าปล่อยให้มันตายไปดีกว่าตายแล้วจะได้เปลี่ยนร่างกายอันใหม่ได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าร่างเก่าไปยึดติดกับร่างกายที่มันเก่ามันทำอะไรไม่ได้ทาไมกินก็จะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวไม่ได้จะทาอะไรก็ทาไม่ได้ มีแต่นั่งนั่งนอนๆอนอยู่เทียบอยู่กับบ้านปล่อยมันไปดีกว่ามาสร้างบุญบา ร, รมีมาเตรียมเงินซื้อร่างกายอันใหม่ดีกว่านี่คือเรื่องของของการมีปัญญาถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะเป็นกลางเราจะสามารถมองเห็นความจริงได้ที่เราไม่สามารถมองเห็นความจริงกันได้เพราะใจเรายังมีอคติอยู่ยังมีความหลงอยู่ ยังคิดว่าร่างกายเป็นของเราอยู่ยังคิดว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นของเรายังคิดว่าสามีภรรยาเป็นของเราพ่อแม่เป็นของเราบุตรที่ดาเป็นของเราแต่ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นของสับปเปลอสับปเปลอจะมาราับร่างกายของเราไปเวลาที่เราตายไปแล้ว จะรักกันขนาดไหนก็ไม่มีใครเก็บร่างกายของเราไว้แล้วเวลาเราตายเขายกให้สั ป, ปเปิอไปเพื่อสั ป, ปเปิลจะได้ไปทำหน้าที่กำจัดร่างกายนี้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมฟนี่เองนี่คือความจริงของร่างกายไม่มีตัวตนไม่เป็นของใครทั้งนั้นเป็นของดินน้ำลมไนเพราะทำมาจากดินน้ำลมไฟ ถึงเวลาก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำนนไฟนี่คือการสร้างปัญญาบาราีเราต้องคิดความจริงเราต้องมองความจริงศึกษาความจริงศึกษาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดไปติดจะทุกข์เพราะเราจะอยากไม่ให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเราอยากจะให้เขาเที่ยงแต่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราที่เราจะเรียกว่าเที่ยงได้ และมันก็ไม่ได้เป็นของเรามันอยู่กับเราชั่วคราวเป็นของเราชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะปล่อยวางแล้วก็จะเบิกบานไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวลกับการสูญเสียของทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะเราไม่ยึดไม่ติดเพราะเรารู้ว่า ถ้าเรายึดเราติดเราจะทุกข์เราจะวุ่นวายแต่ถ้าเราปล่อยแล้วเราจะเย็นจะสบายมีความสุขนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญบา ร, รมีต่างๆจะทําให้ใจเราปราศจากความทุกข์ปราศจากกิเลสตัณหาปราศจากภพชาติการเวียนว่ายตายเกิด อย่างที่พระพุทธเจ้าและภาษาวงทั้งหลายได้รับกันได้พบกันท่านก็สร้างบุญบรารมีเหล่านี้มากันมาสร้างมากันหลายภพหลายชาติพวกเราก็ได้สร้างมากันหลายภพหลายชาติแต่พวกเราโชคดีตอนนี้เราได้มาเจอทางลัดถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนานี้เราต้องกลับไปสร้างพบสร้างชาติอีกเป็นกลับเป็นกันจนกว่าเราจะได้ บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองหรือไม่เช่นนั้นก็ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับทางรัดแล้วเราก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยเราสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ามีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ต้องไปทางไม่ใช่ทางรัดไปทางอ้อม ต้องสร้างบุญบรารมีไปเรื่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องกระทำมาทรงสร้างบุญบรารมีมาเป็นกับเป็นกันเพราะไม่เคยพบทางลัดนั่นเองเลยต้องไปทางอ้อมจนในที่สุดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองแต่พวกเราหล่านี้โชคดีมีวาสนาเรามาเจอทางลัดเรามาเจอพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนทางลัดทางตรงให้กับเรา ให้เรามาสร้างบุญบา ร, รมีทั้งหข้อนี้คือสร้างเมตตาบา ร, รมีสร้างทานบา ร, รมีสร้างศีลบา ร, รมีสร้างเนคข ม, มบา ร, รมีสร้างอุเบกขาบา ร, รมีสร้างปัญญาบา ร, รมีด้วยการสนับสนุนของอธิษฐานบา ร, รมีอธิษฐานก็คือเราต้องตั้งใจตั้งจิตตั้งใจว่าต่อไปนี้จนถึงวันตายเราจะ สร้างบารมีอย่างเดียวจะสร้างไม่ทำอย่างอื่นทั้ที่ไม่จำเป็นเวลามีเท่าไหร่จะเอามาสร้างบารมีทั้งหกนี้ให้ได้นะแล้วเราก็ต้องมีสัจจะบารมีไว้สนับสนุนสัจจะก็คือความจริงใจตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ไม่โกหกหลอกลวงตัวเองเหมือนคนที่ชอบตั้งอธิษฐานกับตะวันวันขึ้นปีใหม่ ปีนี้จะไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่พอสองสามวันผ่านไปก็ลืมพอเจอสุราเจอบุหรี่ก็กลับไปดื่มใหม่กลับไปสูบใหม่อย่างที่เรียกว่าไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะแล้วตั้งอะไรไว้แล้วจะต้องทำให้ได้จะไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นดังนั้นขอให้เราตั้งอธิษฐานไว้แล้วก็ตั้งสัจจะ อย่างเหมือนกับที่พระเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐานเวลานั่งอยู่ใต้โคนต้นโพเบะทรงตัดว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะตัดสรูถ้าไม่ตัดสรูร่างกายเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปนี่คืออธิษฐานสัจจะของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระองค์สามารถตัดสรูได้ด้วยพระองค์เองดังนั้นเราต้องมี อธิษฐานมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะเมื่อเราตั้งสัจจะจะทําอะไรแล้วเราก็ต้องมีความขยันที่จะทําสิ่งที่เราตั้งใจจะกระทําให้สําเร็จยุ่ร่วงไปได้แล้วก็ต้องมีขันติความอดทนเพราะสิ่งที่เราทํานี้เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นเขาเป็นเหมือนกับการปีนเขาไม่ใช่เป็นเหมือนกับการเดินลงเขา การสร้างบุญบรารมีนี่เป็นเหมือนกับการปีนเขาถ้าไม่มีความอดทนแล้วจะท้อแท้แล้วก็จะยอมแพ้แล้วก็จะไม่ทำดังนั้นถ้าเราอยากจะสร้างบรารมีทั้งหกให้สาเร็จได้เราต้องมีอธิษฐานบรารมีมีสัจจะบรารมีมีวิ ร, ยริยะบารมีและมีขันติบรารมีถ้าเรามีครบทั้ง สี่นี้แล้วบรารมีต่างๆเราก็จะสามารถสร้างขึ้นได้ภายในชาตินี้สามารถหลุดพ้นออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในชาตินี้เลยเพราะมีผู้ที่สามารถทำมาได้แล้วเช่นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราไปกราบไหว้บูชาท่านเหล่านี้ท่านได้สร้างบรารมีได้ครบ น่าสามารถลดหลุดพ้นจากวัฏตะแห่งการเวียนว่ายได้ตายเกิดได้แล้วเวลาตายไปอัติของท่านก็กลายเป็นพระธาตุเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้หลุดพ้นแล้วผู้ที่ไม่ยังไม่ได้หลุดพ้นเวลาตายไปอัติจะไม่กลายเป็นพระธาตุยงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่ศรัท ธ, ธาแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวอย่าไปเชื่อผู้อื่นอย่าไปเชื่อคำสอนของผู้อื่นถ้าคาสอนนั้นขัดกับคำสอนของพระ พ, พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าจะาเป็นคำสอนที่จะไม่นำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา